ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่สร่วมจัดทรรมโดยธนาเดชพลรบวิสุทธช่างพินิษยาวลักษคงคาสุวรรณอรวรจัตุรัตวัฒนากูลพุทธศักราช 2,459 ันร้อากูตรกิ่งคำชะอีจังหวัดนครพนม เมื่อออกพรรษาที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลท่านอาจารย์มั่นได้กราบลาพระกรร ม, มวาจาจารย์เพื่อไปติดตามพระอาจารย์เสาวกันตาศีลเทระซึ่งขณะนั้นท่านจําพรรษาอยู่ที่ถ้าภูพากูดเมื่อทราบแน่แล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้เดินโดยเท้าเช่นพระธุดงทั้งหลายท่านเล่าว่าทางรถยนต์ไม่มีรถยนต์วิ่งนับเป็นเวลาเดินเดือน ก็ไม่เห็นสักคันหนึ่งตามทางที่ท่านไปก็เป็นดงดิบล้วนแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นตะเคียนต้นยางต้นประดูต้นตะแบกและสารพัดไม้นั้นเป็นไม้ใหญ่บางต้นเก้าอ้อมสิบอ้อมลาดูไม่เห็นพระอาทิตย์ทีเดียวเป็นป่าเปลี่ยวจริงๆขณะที่เดินทุ่ดงเห็นว่าที่ไหนเหมาะก็แวะพักทาความเพียรกันเป็นเวลาห้าวันหรือเจวัน ขณะที่ท่านอาจารย์มั่นกำลังเดินทุดงระหว่างทางยังไม่ถึงถ้ำภูพากูดนั้นท่านได้คิดถึงอาจารย์ของท่านมากแล้วก็วันหนึ่งหลังจากการพักผ่อนการเดินทางซึ่งเร่งเดินเป็นวันวันมาแล้วอย่างเหน็ดเหนื่อยท่านได้พิจารณาถึงอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ของท่านและได้ระลึกถึงที่ท่านได้ทราบภายในยานเมื่อคราวที่ท่านอยู่ที่ถ้ำสาวิกาว่าท่านอาจารย์ของท่าน ปรารถนาปเจ ก, กโพโธิหรือปเจ ก, กโพโธคือปเจ ก, กโพโธทิยานหรือคือการปรารถนาเป็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้านั่นเองถ้าหากว่าท่านยังมีจิตกังวลในการปรารถนาเช่นนั้นการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะสำเร็จไปไม่ได้เช่นเดียวกับเราเหมือนกันเมื่อความปรารถนาพระโพธิยานยังฝังอยู่ในจิตเราก็ไม่สามารถดาเนินจิตเข้าสู่อริยสัจ เพื่อความหมดจดจากกิเลสได้ถ้าเราไปพบท่านอาจารย์ของเราเราก็จะต้องแนะนำให้ท่านเลิกจากการปรารถนาเช่นนั้นเสียจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่หนอนี้เป็นการรำพึงภายในการเป็นสมาธิละเอียดของท่านอาจารย์มั่นแต่เมื่อท่านได้สละความคิดนั้นเพื่อมีให้กังวลใจแล้วและท่านก็ได้ทุ ด, ดงเรื่อยๆไปจนใกล้จะถึงท่ามภูผากูด โดยรอบบริเวณภูเขาอันเป็นถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นภูมิประเทศที่เป็นป่าไม้เต่งไม้รังไม้แดงไม้มะค่าแต่ไม่เป็นดงทึบเหมือนกับดงอื่นๆจึงทำให้บริเวณ น, นั้นมีอากาศปลอดโร่งดีถ้ำแห่งภูเขาแถวนั้นก็ไม่อับชืน้นตัวบริเวณจึงเป็นสถานที่ที่จะพึงอาศัยเป็นเวลาแรามปีได้ถ้าเป็นดงดิบ มองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วจะอยู่กันนานไม่ได้เพราะจะทำให้สุขภาพเสียโดยที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้เลือกเอาสถานที่แห่งนี้อยู่ถึงห้าปีและท่านก็ยังมีสุขภาพดีเป็นปกติเหมือนกับอยู่ในวัดธรรมดานับว่าท่านอาจารย์เสามีความรู้ความชำนาญในการอยู่ป่าอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าเราได้เดินมองพิเคราะห์ดูแล้ว เป็นที่เหมาะสมจริงๆเพราะมีทาน้ำเล็กๆไหลไม่ขาดอยู่ที่ตรงกลางทางที่จะขึ้นถ้ำพอดีคำว่าภูผากูดคือมีผักกูดขึ้นอยู่ตามตลิงทานน้ำนั้นมากเมื่อผักกูดขึ้นผักที่จะขึ้นตามผักกูดมาก็เช่นผักน้นาผักเต่าเกียรตในคราวนั้นท่านอาจารย์สิงคันตยาคโม ซาบว่าท่านอาจารย์มั่นทุดงไปท่านก็ทุดงตามไปติดติดกับท่านอาจารย์มั่นแต่พอก่อนจะถึงถ้ำภูพากูดท่านก็ล้มเจ็บเป็นไข้จึงได้เดินทางกลับมารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดอุบลเมื่อท่านหายป่วยแล้วก็ได้ติดตามท่านอาจารย์มั่นไปเพื่อหวังในการศึกษาธรรมะปฏิบัติอีกโดยไม่ได้มีการย่นย่อท้อถอยแต่ประการใด ครั้งเมื่อท่านอาจารย์มัน่นท่านได้เดินจนกระทั่งถึงและขึ้นไปบนถ้ำภูพากูดเมื่อวางบริขารไว้ส่วนหนึ่งแล้วท่านก็เข้าไปนมัส ก, การท่านอาจารย์เสาซึ่งท่านอาจารย์เสาได้รู้ล่วงหน้าและเตรียมสถานที่ไว้คอยรับสิริรักอันจากกันไปนานอยู่แล้วท่านอาจารย์มั่นได้เข้าไปกราบนมัส ก, การสนทนาปราศัยตามสมควรแล้วก็ไปพักณบริเวณแห่งหนึ่งตามอัธยาศัย และท่านอาจารย์มั่นก็ตั้งใจจะจำพรรษาณรรมนี้กับท่านอาจารย์เสาวในระหว่างพรรษาทั้งศิษิ์และอาจารย์ก็ได้ปรึกษาสนทนาในเรื่องธรรมะปฏิบัติแทบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์มั่นได้พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ได้พิจารณาอริยสัจธรรมหรือไม่ท่านอาจารย์สาวได้ตอบว่าเราก็พิจารณาเหมือนกัน ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างท่านอาจารย์มั่นถามได้ผลเหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนท่านอาจารย์สาวตอบเพราะเหตุไรบ้างครับท่านอาจารย์มั่นถามเราได้พยายามอยู่คือพยายามคิดถึงความแก่ความตายแต่ว่าบางคราวมันก็ไม่จำแจ้งท่านอาจารย์สาวตอบถ้าเช่นนั้นคงมีอะไรเป็นเครื่องห่วงหรือกระมังท่านอาจารย์มั่นถาม เราก็พยายามพิจารณาเหมือนกันแต่ก็หาสิ่งขัดข้องไม่ได้ท่านอาจารย์สาวตอบและกล่าวต่อไปว่าความจริงความสว่างของดวงจิตนั้นก็เป็นปกติดีอยู่แม้มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เรื่องธรรมดาของสมาธิแต่ว่าเมื่อจิตพิจารณาทีไรรู้สึกว่าไม่ก้าวไปท่านอาจารย์มั่นจึงกล่าวว่ากระผมคิดว่าคงมีอะไรสักอย่างเป็นเครื่องห่วง ท่านอาจารย์สาวตอบว่าและเธอรู้ไหมว่าเรามีอะไรเป็นเครื่องห่วงท่านอาจารย์มั่นเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ถวายความรู้ในครั้งอยู่ท่ามสาริกานนจึงได้ตอบทันทีว่าท่านอาจารย์ห่วงเรื่องการปรรถนาเรื่องปัจเจ ก, กโพทธทิกระมังครับท่านอาจารย์สาวตอบว่าแน่ทีเดียวในจิตของเราตั้งอยู่ว่าจะขอให้รู้ธรรมะเองโดยไม่ต้องให้ใครมาแนะหรือบอกให้ และมันก็ตั้งอยู่ในใจของเรามาตลอดท่านอาจารย์มั่นจึงขอความการุณาและบอกท่านอาจารย์สาวว่าขอให้ท่านอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลยขอให้พิจารณาอริยสัจเพื่อความพ้นทุกเสตชาตินี้เถิดเพราะกระผมเองก็ปรารถนาพระโพธิญาณและกระผมก็ได้ละความปรารถนานั้นแล้วเนื่องดูว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้มันนานเหลือเกิน ในวันนั้นท่านอาจารย์เสาวต้องประหลาดใจที่สิทธิ์ของท่านได้ล่วงรู้ถึงความจริงอันปรากฏอยู่ในใจของท่านซึ่งท่านไม่เคยปริปากบอกใครเลยฉะนั้นจึงทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ต้องมีความดีความจริงความชัดเจนในใจอย่างแน่นอนในวันนั้นก็ได้คุยกันเพียงเท่านี้แล้วก็เลิกกันไป อยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์เสาได้ไปนั่งอยู่ที่สงัดเฉพาะองค์เดียวเริ่มด้วยการพิจารณาถึงอริยสัจโดยอุบายอย่างหนึ่งคือการพิจารณากายจนชัดแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นและท่านก็เริ่มดําเนินจิตเจริญให้มากกระทําให้มากจนเป็นญาณสามารถทูลกระแสมาถึงที่ตั้งของจิตได้แล้ววันนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาด เมื่อได้รับการอธิบายจากท่านอาจารย์มั่นซ้าอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ควรจะเจริญให้มากจนกว่าจะพอแกความต้องการเมื่อจวนถึงกา ร, รวรารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการและท่านก็บอกแกอาจารย์มั่นว่าเราได้เลิกการปรารถนาพระปัจเจกโพธิแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมะจริงแล้ว เมื่อท่านอาจารย์มั่นได้ฟังก็ได้พูดให้ความแน่ใจว่าเป็นจริงเช่นนั้นแล้วต่างก็มีความอิ่มเอิบในธรรมระยะเวลานั้นท่านอาจารย์มั่นท่านมีพรรษา26พรรษาท่านได้ปฏิบัติต่ออาจารย์เสาเหมือนกับท่านเป็นพระใหม่คือปฏิบัติตั้งแต่การล้างบาทซักจีวรปูที่นอนตักน้ำถวายสงถูหลังทุกประการ ซึ่งแม่อาจารย์เสาจะห้ามให้ทำแต่ท่านก็ปฏิบัติได้โดยมิได้มีการแข็งกระด้างแต่ประการใดก่อนเข้าพรรษานี้ปรากฏว่ามารดาของท่านอาจารย์มั่นซึ่งยังกระหายต่อการปฏิบัติศึกษาธรรมอยู่มิวยัยจึงอุตสาหล้มลุกคลุกคลานตามวิบาสของคนแก่ติดตามไปที่ถ้ำภูผากูดเพื่อศึกษาอบรมตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติ ท่านอาจารย์เสาจึงได้บวชชีให้อยู่ปฏิบัติณฑ์ถ้ำนี้โดยจองเอาที่เงื้อมแห่งหนึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมเร่งความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ที่ถ้ำนั้นท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมหลังจากหายป่วยแล้วก็ติดตามไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์มั่นต่อไปทุกคนทุกแห่งซึ่งเริ่มติดตามพบที่ถ้ำในปีนี้เอง พุทธศกราช2460บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็งในพรรษานี้ท่านอาจารย์มั่นจำพรรษาที่ป่าแห่งหนึ่งที่บ้านดงปอตำบลห้วยหลวงอำเภอเพ็งหลังจากที่ท่านได้เปิดศกราชแห่งการปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลแล้วท่านก็เริ่มอบรมพระภิกษุสามเณรอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังเพื่อผลงานในด้านนี้ ของพระพุทธศาสนาจะได้เด่นขึ้นอันจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปีนี้บรรดาพระภิกษุทั้งหลายผู้เคยได้รับรถพระธรรมจากท่านและผู้ที่ได้เคยสดับแต่กิตติศัพท์ก็ได้ติดตามปฏิบัติกับท่านการจำพรรษาของท่านท่านไม่ต้องการอยู่รวมกันหลายองค์เพราะจะทำให้ไม่วิเวกดังนั้นท่านจึงตรวจดูเฉพาะองค์ที่กาลังจะได้รับผลที่แน่นอน ให้จำภรษาอยู่กับท่านเพื่อที่จะได้แนะนำตลอดระยะเวลาเพื่อความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งของสิทธิ์ส่วนผู้ที่กำลังจะทำการอบรมเพื่อรอความแก่กล้าของสมาธิท่านก็แนะนำให้ไปอยู่แห่งละองค์สององค์จะได้อบรมตนให้ยิ่งไม่ต้องกังวลกับใครแต่พอเมื่อสงสัยในการปฏิบัติเกิดขึ้นท่านเหล่านั้นก็จะมาหาให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้ความสงสัยเป็นรายร้ไป การที่บรรดาสิทธ์ได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆมิใช่ว่าท่านจะทอดทุระเสียแต่อย่างใดท่านต้องใช้ยาลภายในตรวจตราพร้อมทั้งคอยสดับตรับฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของสิทธ์แล้วถ้าเป็นเหตุสําคัญท่านจะใช้ให้พระอรุโยมไปตามพระองค์นั้นมาหาท่านทันทีเพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ให้ดําเนินไปเพื่อความถูกต้องและได้ผลเป็นประมาณ เช่นคราวหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครมีอาจารย์องค์หนึ่งพักอยู่บนภูเขาเรียกกันว่าภูคออาจารย์องค์นั้นไม่ฉันอาหารตลอดสามเดือนผู้คนได้แตกเตื่นกันไปหาท่านอย่างล้นหลามแต่อาจารย์องค์นั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์มั่นแต่อย่างใดท่านจึงเพียงแต่แนะนําสิทธิ์ของท่านว่าการไปอยู่ป่าอยู่เขาทําอย่างนั้นไม่ถูกต้อง เพราะไปทำอภินิหารอดอยากอยู่ถ้ำเพื่อที่จะให้คนไปหาเป็นการผิดวิสัยพวกเราอย่าได้พากันทำเช่นนั้นเพราะตามความเป็นจริงแล้วการอยู่ป่าต้องทำตัวเก็บตัวสแสวงหาความสงบด้วยใจจริงโดยความบริสุทธิ์ในการสแสวงหาธรรมปฏิบัติการอยู่ป่าอยู่เขาด้วยการเพื่อสแสวงหาลาบหาปัจจัยนั้นไม่ถูกต้อง พวกเธอถ้าหากว่าจะพึงสแสวงหาความสงบแล้วต้องอย่าไปทำอะไรที่ชวนให้คนหลงตามไปหาซึ่งมันจะไม่เป็นการบริสุทธิ์ใจของนักปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติของสิทธนั้นท่านพิถีพิถันมากพยายามติดตามดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านได้พิจารณาเห็นว่าสิทธรูปนั้นจะเป็นผู้มีนิสัยวาสนา เป็นผู้ที่ปฏิบัติเข้มแข็งและจะพึงเห็นอัฏฐเห็นธรรมะในเบื้องหน้าแล้วท่านยิ่งจะติดตามคอยแนะนำการปฏิบัติให้ทุกระยะตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มหาปินปัญญาพโลผู้เป็นน้องชายของท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมได้เข้ามามอบตัวเป็นศิษย์ของท่านหลังจากนั้นท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าท่านมหาปินนี้มีบุญวาสนา ได้บำเพ็ญมาพอสมควรที่จะเห็นอรรถธรรมได้ท่านจึงพยายามแนะนำธรรมะปฏิบัติให้อย่างละเอียดและลึกซึ้งอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์มหาปิ่นท่านนั่งพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กมุงหลังคาในเสนาสนะป่าซึ่งท่านก็ได้ผ่านการนั่งสมาธิมาแล้วสองชั่วโมงเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษพลางท่านก็ได้นึกไปถึงอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์มั่น ไม่ได้ร่ำเรียนพระปริยัติธรรมมากเหมือนเราท่านจะมีความรู้กว้างขวางได้อย่างไรเราได้ร่ำเรียนมาถึงห้าประโยคจะต้องมีความรู้กว้างขวางมากกว่าท่านและที่ท่านสอนเราอยู่เดี๋ยวนี้จะถูกหรือไม่ถูกประการไรห์เนอขณะนั้นเองท่านอาจารย์มันท่านนางอยู่กุฏิของท่านห่างกันคนละมุมวัดท่านก็ทราบวาราจิตของท่านมหาปินทันทีว่า กำลังจะคิดดูถูกท่านอยู่และการคิดเช่นนี้ยอมเป็นภัยแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านจึงลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินไปที่กุฏิมหาปิ่นทันทีและเอาไม้เท้าขคาะข้างฝาที่ทำด้วยใบไม้ดังปั๊บปับแล้วก็ส่งเสียงขึ้นว่าท่านมหาปินนี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุไรการคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อการบาเพ็ญสมณธรรมจริงหนามหา มหาปีนได้ฟังตกใจสุดขีดเราไม่ได้นึกฝันเลยว่าเรานั่งคิดอยู่คนเดียวในเวลาที่ดึกสงัดเช่นนี้ท่านอาจารย์มั่นจะมาล่วงรู้วาราจิตของเราได้ถึงรีบลุกขึ้นจากกุฏิตรงเข้าไปกราบเท้าท่านอาจารย์มั่นรีบกราบเรียนว่ากระผมกำลังนึกถึงท่านอาจารย์ในด้านอากุศลจิตกระผมขอกราบเท้าจงอโหสิ ก, กรรมให้แก่กระผมเถิดตั้งแต่วันนี้ต่อไปกระผมจะบังคับจิต มีให้นึกคิดถึงสิ่งที่เป็นอกุศลจิตอย่างนี้ต่อไปอีกตรงนี้ผู้เขียนขอแทรกข้อความตอนเชียงใหม่ให้ผู้อ่านได้ทราบตอนสําคัญไว้เพราะจะรอเขียนตอนท่านอยู่เชียงใหม่ก็จะไม่ทันใจผู้เขียนและผู้อา่านครั้งหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่บนภูเขากับพวกมูเซอในจังหวัดเชียงใหม่มีพระหลวงตา สามองค์คือหมายถึงผู้มีครอบครัวแล้วถึงบวชได้พยายามติดตามถามข่าวหาท่านอาจารย์มั่นอยู่ถึงสามปีจึงได้ข่าวว่าอยู่บนภูเขากับพวกมูเซอร์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อรู้ชัดแน่แล้วจึงรีบไปเพื่อที่จะได้พบท่านทั้งสามหลวงตาก็เดินทางปีนป่ายภูเขาขึ้นอย่างความตั้งใจจริงไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่ประการใดเพราะตั้งใจมานานแล้ว เพิ่งจะใกล้ความสำเร็จซึ่งทั้งสามหลวงตาคงจะเข้าใจว่าเมื่อพบท่านแล้วคงจะได้ธรรมะแสงสว่างไม่ยากนักจึงได้อุตส่าหติดตามเป็นเวลานานก็พอดีเป็นเวลาเย็นประมาณห้าโมงจึงได้ถึงสถานที่อาจารย์มั่นอยู่เมื่อถึงแล้วก็เข้าไปนมัสการท่านท่านกำลังฉันน้าร้อนอยู่มีพระเนรอยู่ด้วยสองสองค์คอยประนิบัติอยู่ เมื่อหลวงตาทั้งสามกราบแล้วท่านก็ถามว่าเธอตามหาเรามานานแล้ววันนี้มาจากไหนสามหลวงตาก็งงเป็นที่สุดว่าท่านรู้ได้อย่างไรแล้วก็ตอบพร้อมกันว่าวันนี้มาจากอาเภอสันทรแล้วท่านก็ให้พระไปจัดสถานที่อยู่ให้ตามจะพึงมีจำเดิมแต่นั้นหลวงตาทั้งสามก็พยายามปฏิบัติตามโอวาทของท่านอยู่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งสามหลวงตาเล่าว่าไม่ว่าพวกฉันจะนึกอยากฟังธรรมะข้อใดท่านจะต้องเทศธรรมะข้อนั้นให้ฟังโดยไม่ต้องเอ่ยปากถามเลยฉันอัศจรรย์ใจจริงแต่อยู่มาวันหนึ่งฉันทั้งสามได้เป็นนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่งามมากหลังหินเสมอเรียบดีพวกเราก็นั่งประชุมสนทนากันก็พูดถึงเรื่องทางบ้านว่าป่านี้ภรรยาของเราอยู่กันอย่างไรหนอ ลูกของฉันมีสี่คนลูกหญิงเป็นสาวยังไม่ได้แต่งงานเลยอีกองค์ก็พูดว่าภรรยานากลัวจะไปมีผัวใหม่อาจจะทิ้งลูกเสียก็ได้แล้วก็พูดกันหลายอย่างเป็นเวลากว่าชั่วโมงทุกองค์ก็ต่างกลับมาแต่ก็ม่ได้อะไรในคำพูดเหล่านั้นดอกพูดแล้วก็เล่ากันไปแต่ที่ไหนได้ท่านอาจารย์ม่านได้รู้เรื่องราวของเราหมด และในวันนั้นก็ได้มีพระภิกษุสามเณรทุกแห่งที่อยู่แถวใกล้ๆนั้นมาประชุมกันหมดท่านก็ยกเอาเรื่องทั้งสามหลวงตาขึ้นมาพูดในท้ำกลางบริษัทว่าดูสิทั้งสามหลวงตาเนี่ยอุตส่าห์มาอยู่ป่าบวชแล้วยังคิดถึงมาตุคามลูกเมียมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมาอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ซึ่งไม่ควรเลยน่าอับอายท่านผู้รู้นเนี่ยเนี่ยหลวงตาเธอเป็นพระกี่เปอร์เซนต์ เท่านั้นเองพวกเราทั้งสามอายเพื่อนอย่างหนักนางก้มหน้าเมื่อเลิกประชุมแล้วพวกเราทั้งสามก็ร้อนไปหมดจึงเป็นอันว่าพวกเราอยู่ไม่ไหวคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนพวกเราก็เก็บบาทกรดหนีกันทั้งคืนปา ก, ก็พูดว่าอารหังอรหังอรหังทั้งเดินหนีไปไม่ได้อำลาท่านเลยโดยไม่ได้คำนึงว่าทางที่เดินมานั้นมีทั้งหมีทั้งเสือทั่วไป แต่พวกเรากลัวท่านอาจารย์มั่นมากกว่าเสืออีกพุทธศักราช2461นสี่รณถ้ำผาบิงจังหวัดเลยหลังจากอยู่ปฏิบัติและถวายความรู้ในธรรมะปฏิบัติอันยิ่งแก่อาจารย์ของท่านแล้ว ท่านเห็นหมู่คณะตามท่านมามากรู้สึกกังวลขึ้นท่านจึงปลีกตัวออกจากหมู่เดินทุดงไปแต่องค์เดียวจนบรรลุถึงถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยในปีนั้นท่านต้องการพิจารณาถึงความจริงทั้งหลายอันเกิดแต่การบำเพ็ญในตนของท่านและต้องการวัดผลการปฏิบัติที่ท่านได้นะนําสั่งสอนแก่บรรพชิตและเข้ารือหัดว่าผลต่างๆของการปฏิบัตินั้น ได้เป็นความมุ่งหมายมาเดิมหรือไม่และเป็นผลที่ถูกต้องทำนองคลองทำคําสอนของพระพุทธองค์จริงหรือไม่ในเมื่อได้ใคร้ครวญทั้งความนึกคิดอันเป็นภายนอกและพิจารณาตามยานอันเป็นภายในท่านก็พอใจในผลงานเหล่านั้นว่าเป็นประโยชน์มากสมควรที่จะยอมเสียสละในการแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไป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 จะทรงแสดงแจ้งชัดสักเท่าใดก็ตามเช่นพระองค์แสดงอนัตตลักณสูตรโปรดปัญจวัคคีให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นพระองค์ก็ทรงแสดงชี้ลงไปที่กายคือรูปของปัญจวัคคีนั่นเองได้ทรงแสดงว่ารูปปังพิกเวอนันตารูปไม่ใช่ตนแม้รูปของปัญจวัคคีก็มีอยู่แล้วทำไมปัญจวัคคี จึงไม่พิจารณาเอาเองเล่ามารู้แจ้งเห็นจริงเอาตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ดูจึงค่อยมาได้สำเร็จข้อนี้ก็เป็นเช่นกับตัวของเรานั่นเองได้อุตสาห์เที่ยวไปสแสวงหาอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิกระ ท, ทั่งทั่วประเทศไทยและต่างประเทศแต่ครั้นจะมารู้จริงได้ก็คือการมาศึกษาปฏิบัติเอาโดยตนเองตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง แต่ว่าเท่าที่เราเองได้เข้าใจนั้นก็เพราะเราไปเห็นความจริงเท่านั้นทั้งๆที่ความจริงก็อยู่ใกล้นิดเดียวแต่ว่าการรู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะเหตุว่าการทำจิตเป็นนามธรรมาเมื่อเกิดความอัศจรรย์หรือความสบายก็ไปเข้าใจเสียว่าดีเสียแล้วจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะรู้ยิ่งขึ้นได้ จึงไม่ควรตำหนิผู้ที่เขาพากันทำสมาธิแล้วหลงไหลไปตามโลกิยาฌานหรือตามวิปัสณูปกิเลสเพราะเขาเหล่านั้นก็ได้รับความสงบความเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ที่ควรตำหนิก็เพราะว่าเขาไม่พยายามหาโลกุตรธรรมนั่นแม้แต่เราในเบื้องแรกเราก็ได้พบโลกิยาฌานฌานมากมาย ซึ่งมันก็ทำให้เราต้อ ง, ลงหลงไหลมันไปพักใหญ่แต่เราพยายามที่จะสแสวงหาให้ยิ่งขึ้นเราจึงไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้นอันการติดอยู่หรือเข้าใจผิดในธรรมปฏิบัติจิตอันเป็นภายในนี้มันไม่ไปนรกหรอกแต่ว่าการที่ไปติดมันมันทำให้ต้องล่าช้าต่อการรู้ยิ่งเห็นจริงต่างๆหากเราเองเมื่อด้ความรู้แจ้งนี้แล้ว จึงได้พยายามเพื่อความที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าโดยไม่หยุดยัง้งทุกหมู่ทุกจําพวกในบรรดาผู้บำเพ็ญจิตในกรรมฐานทั้งหลายนั้นต่างก็มุ่งหวังเพื่อความดีความเจริญทุกหมู่ทุกคณะแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองที่ทำให้เขาต้องเสียประโยชน์ท่านได้ปรารภไปถึงอาลารดาบทกาลามาโคตและอุทกาดาบทรามบุตร ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าชิบหายเสียจากคุณอันใหญ่เนื่องด้วยดาบ ท, ทั้งสองนั้นได้มรณะไปเสียก่อนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงดาบ ท, ทั้งสองก็เป็นผู้สาเร็จฌานชั้นสูงกันทั้งนั้นอันว่าฌานชั้นสูงนี้ก็เป็นการให้ความสุขอันยิ่งแก่ผู้ได้สาเร็จอยู่มากแล้วแต่เพราะเหตุใดเล่า พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าชิบหายเสียจากคุณอันใหญ่ก็เพราะว่ายังไม่หมดจดจากกิเลสเพราะเพียงแต่ข่มกิเลสไว้เหมือนกับศิลาทับย่าเท่านั้นอันที่จริงฌานชั้นสูงนั้นก็เป็นเบื้องต้นแห่งการดำเนินไปสู่ความหมดจดจากกิเลสแต่เพราะความทิดาบทนั้นไม่เข้าใจวิธีแห่งการอันจพึงทาจิตเข้าสู่อริยสัจเท่านั้น ข้อนี้เป็นประการสำคัญนักเพราะการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้คืออริยสัจนี้แต่ท่านได้พิจารณาต่อไปอีกว่าการบาเพ็ญจิตต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้ถูกผิดและมิใช่แต่จะเอาแต่ทำจิตอย่างเดียวต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกอาทิเช่นธรรมวินัยทั้งอย่างหนักและอย่างเบา แม้ว่าจะพยายามทำจิตสักเท่าใดก็ตามถ้าประพฤติผิดพระวินัยน้อยใหญ่แล้วจะทำจิตย่อมไม่บังเกิดผลพร้อมกันนั้นต้องเป็นผู้สันโดษมากน้อยรักษาทุดวงขวัตต่างๆอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสหยาบด้วยว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นอันดีเท่ากลับเป็นเครื่องบารุงส่งเสริมเช่นกับรถยน เครื่องยนต์กลไกลต่างๆถึงเป็นเครื่องดีมากสักเท่าใดก็ตามถ้าขาดการบำรุงรักษาก็ไม่สามารถที่จะให้ผลแก่ผู้ใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเช่นต้นไม้ต่างๆถ้าเราจะปลูกให้ได้ผลก็ต้องบำรุงรักษาจึงจะให้ผลแก่เจ้าของได้การบำเพ็ญจิตก็เช่นเดียวกันควรจะได้กำหนดข้อปฏิบัติอันเป็นการสันโดษมักน้อยเอาไว้ โดยการชันหนเดียวการชันในบาทการบินทบาทการปัดกวาดทำความสะอาดเสนาสะนะการอยู่โคนต้นไม้การอยู่ป่าการมีจีวรเพียงแต่ารจีวรการรักษาวัดทั้งหลายมีเศขษยววัดและอาจาริยววัดเป็นต้นในปีนั้นท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ต่าง อันที่จะนำไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แน่นอนแก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายพร้อมกันนั้นท่านได้ทําตัวของท่านให้เป็นตัวอย่างอีกด้วยทั้งการที่แก้ไขความประพฤติเพื่อให้เป็นการเหมาะสมจากมัญญาที่ต่าไปหาที่สูงอันนี้ก็ต้องทดสอบในธรรมวินัยให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วย หลังจากที่ท่านพิจารณาถึงหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ทั้งภายนอกตามตำรับตำราและภายในคือการพิจารณาหาความจริงอันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งจะป้องกันความงม ง, งายต่างๆเช่นสีผ้าท่านก็กำหนดได้ว่าในครั้งพุทธกาลใช้ผ้าสีอะไรท่านยังทราบว่าพระอนุรุทธเทราเจ้าใช้ผ้าสีครามอ่อนพระมหาโมคลานะ และพระสารีบุตรเทระใช้สีวัวโทนและท่านพระมหากัสปะใช้ผ้าสีคร่าเป็นต้นบางครั้งท่านได้คำหนึ่งถึงท่านพระสารีบุตรซึ่งครั้งหนึ่งได้ชวนพระมหากมคลานะไปบําเพ็ญสมณธรรมณนะธรรมแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายวันอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ป่วยเพราะโรคปวดท้องกาเริบขึ้นอันพระโมกคลานะถามว่า ท่านเป็นโรคนี้เคยฉันยาอะไรจึงหายพระสาวรีบุตรตอบว่าโรคนี้ต้องได้ฉันข้าวมะทู ป, ปายาดมีน้ำอ้อยผสมกับน้ําตาลกรวดจึงหายขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในถ้านั้นได้ยินก็ต้องการที่จะให้พระเทระได้ฉันจึงรีบไปยังบ้านอันเป็นโคจระคามของพระเทระทั้งสองแล้วก็เข้าไปสิงในร่างของเด็กทาอาการให้เด็กชักดิ้นชักงอ อันบิดามารดาต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างเด็กก็ไม่ทุเลาเทวดาที่สิงจึงบอกว่าเนี่ยพวกท่านต้องการให้ลูกหายไหมบิดามารดาบอกว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นที่สุดเทวดาที่สิงอยู่ในร่างเด็กก็บอกว่าท่านจงทําข้าวมัทุกปลายาดมีน้ำอ้อยผสมน้ําตาลกรวดไปถวายท่านพระสารีบุตรเท่านั้นเองบุตรของท่านก็จะหายทันที อันบิดามาดาของเด็กรับว่าเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าทำได้และพระเทระนี้ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วเทวดานั้นก็ออกจากร่างเด็กเด็กก็หายทันทีรุ่งเช้าพระโมคคัลลานะออกบินทะบาทแต่เช้าได้ไปถึงบ้านนั้นอันเข้าทั้งหลายได้ถวายอาหารแก่พระโมคคัลลานะแล้วก็ถวายข้าวมัุ ป, ปายาต ขอร้องให้ไปถวายแก่พระสารีบุตรอันพระโมคคลานะนำมาแล้วก็น้อมเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรได้พิจารนาว่าอาหารนี้ไม่บริสุทธิ์ท่านจะนำมาทำไมเพราะเหตุใดท่านพระโมคคลานะถามเราะว่าเทวดาไปบังคับเขาพระสารีบุตรตอบส่วนท่านพระโมคคลานะได้พิจารนาก็ทราบทันที แล้วพระโมคคัลลานะจึงอุทานว่าเราตาบอดไปเชียวแล้วนาข้าวมาทุปลายาสนั้นไปเททิ้งพระสารีบุตรก็กำหนดจิตให้บริสุทธิ์หายจากโรคปวดท้องทันทีท่านอาจารย์มั่นท่านได้พูดเป็นอุบายว่าความบริสุทธิ์ของศีลนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผ่องใสเป็นทางให้เกิดความจริงได้ เพราะศีลมีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดท่านอาจารย์มั่นท่านได้พูดเสมอว่าท่อนไม้ยางใหญ่ๆมันเข้าตาคนไม่ได้หรอกองทุลีเล็กๆต่างหากมันเข้าตาตนในราตรีหนึ่งระหว่างการเข้าพรรษาขณะที่กำลังบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เกิดความสงบเยือก เ, เย็นมาก จนเกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่พระอภิธรรมทั้งเจ็พระคัมพีขึ้นมาเราได้พิจารณากำหนดพิจารณาแยกคายคนคว้าสามารถรู้ได้ทั้งอัฏถะและทั้งแปลอย่างคล่องแคล่วได้พิจารณาอย่างละเอียดตลอดคืนยันรุ่งพอรุ่งเช้าออกจากสมาธิแล้วความรู้เหล่านั้นปรากฏว่าลบเลือนไปเสียเป็นส่วนมากยังจาได้เฉพาะที่สาคัญพอรู้ความหมายเฉพาะเรื่องหนึ่งๆเท่านั้น ท่านได้พิจารณาวัสนาบารมีของท่านแล้วคำนึงถึงว่าเมื่อแจมแจ้งแล้วทำไมจึงลบเลือนไปเสียท่านได้ทราบในญาณของท่านว่าปฏิสัมพิทานุศาสต์ความรู้ที่จะพึงแตกฉานในพระธรรมวินัยนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะได้มีความแตกฉานเป็นปฏิสัมพิทานุญาณก็หาไม่ได้เช้าวันหนึ่ง เมื่อเข้าไปบินทบาทในบ้านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาใส่บาตรแล้วพูดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นท่านเปิดเอาหนังสือพระไตรปิฎกออกมาอ่านเป็นนันมากท่านคงภาวนาดีในคืนนี้ท่านได้ยินโยมพูดก็เพียงแต่ยิ้มแย้มนิดหน่อยแล้วก็เดินบินทบาทต่อไป พุทธศักราช2462เสียนาสนาป่าบ้านคออําเภอผือจังหวัดอุดรธานีในปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนาป่าบ้านคออําเภอผือเป็นปีที่เริ่มแนะนำข้อปฏิบัติแก่พระภิกษุเป็นส่วนมากซึ่งปรากฏว่าท่านอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมท่านอาจารย์ตื้อท่านอาจารย์แหวนสุจินโน ท่านอาจารย์หนูใหญ่ได้ติดตามมาปฏิบัติอยู่กับท่านท่านอาจารย์มั่นท่านได้แนะนำเพื่อความก้าวหน้าแห่งการดำเนินจิตเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากท่านทุกองค์เหล่านี้ได้บำเพ็ญได้ผลในทางปฏิบัติกันมาแล้วเพียงเพื่อจะอบรมให้เกิดความแก่กล้าขึ้นเท่านั้นท่านได้แนะนำถึงข้อสำคัญในเรื่องความหลงในฌานว่าผู้ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแล้ว ต้องไม่หลงในความเป็นเหล่านั้นท่านได้อธิบายว่าญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติผลังได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียว แต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในยานเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนื่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมแต่ยานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อย่างดีพิเศษในอันที่ดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจหรือการทรมานบุคคลบางคนแต่ว่าจะต้องรู้ว่ามันเป็นยานอย่ายินดีหรือติดอยู่เพียงเท่านี้เพราะเท่ากับว่ามันเป็นผลพลอยได เกิดจากการบําเพ็ญจิตเข้าสู่อริยสัจนั่นเองถ้าหากว่าเราไปยินดีหรือไปติดอยู่เพียงเท่านี้แล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่ความพ้นไปจากทุกข์ไม่ได้แม้แต่พระเทวทัตในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลก็สำเร็จญาณถึงหประการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สมกับความประสงค์แต่หลงอยู่ในความรู้ญาณของตนเกิดทิฏฐิมานะว่าตนเก่งตนดี ถึงกับต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเอาเลยทีเดียวแต่ที่ไหนได้ในที่สุดโดยอาศัยความหลงยานกลับต้องเสื่อมหมดทุกอย่างไม่พ้นทุกข์ไม่เข้าถึงอริยสัจแต่กลับตกนรกไปเลยท่านอาจารย์มัน่นท่านเน้นว่ายานเหล่านี้มันน่าคิดจริงๆเพราะมันวิเศษแท้ทั้งเยือกเย็นทั้งสว่างผ่องใสทั้งรู้อะไรที่เป็นอดีตอ น, นาคต ตามความประสงค์ผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงที่ไปติดนาทีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ตรงที่เกิดทิฐิขึ้นมาอย่างหนึ่งคือการถือตัวว่าดีกว่าใครๆไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสหธรรมิกหรือสิทธิ์หาวาสิทธิ์สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้ทิฐิชนิดนี้มาเกิดขึ้นแล้วตัวของตัวเองไม่รู้ตัวเอง ซึ่งท่านอาจารย์มันท่านเปรียบว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งใหญ่เหลือเกินอยู่ในท้องทะเลมันไม่รู้ว่าหางของมันอยู่ไหนเมื่อมันไม่รู้มันเห็นหางของมันมันก็กินหางของมันกินไปกินไปจนเหลือแต่ตัวเลยคขมั่มซ้ำหมดเลยและท่านก็อธิบายว่าการหลงตัวด้วยยานเนี่ยมันละเอียดนักเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่ง คือการขาดจัดความรอบคอบบางสิ่งบางประการเพราะเหตุแห่งการถือตัวเช่นการกล่าวคำดูถูกดูหมิน่นต่อเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันหรือต่อครูบาอาจารย์ของตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินยานทุกยานท่านอาจารย์มั่นกล่าวว่ามันต้องเสื่อมมันจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปหาได้ไม่แม้จะใช้ความพยายามสักเท่าใดก็ตาม คือว่าครั้งแรกๆก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงได้แต่ต่อไปก็เลือนเข้าเลือนเข้ากลับกลายเป็นความนึกคิดโดยอาศัยสัญญาเก่าวนี้คือความเสื่อมแห่งยานลูกศิษย์ก็มีหลายองค์ที่ต้องเสื่อมลงจากยานเหล่านี้อย่างน่าเสียดายดังนั้นเพื่อป้องกันความเสื่อมจึงต้องรีบดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจเสียเลยเพราะความที่จิตเข้าสู่อริยสัจได้แล้ว มันก็ห่างจากความเสื่อมไปทุกทีทุกทีท่านยกตัวอย่างว่าท่านหนูใหญ่อายุกราวเดียวกับท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรไม่พยายามดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจแต่ว่ามียานแหลมคมดีเอาแต่ยานภายนอกอย่างเดียวจึงเสื่อมไปได้คือว่าท่านอาจารย์หนูใหญ่นั้นปรากฏว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเกิดยานรู้ความจริงบางอย่างได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นที่ปรึกษาหารือแกสหธรรมิกด้วยกันได้เป็นอย่างดีทั้งมีความรู้พิเศษเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเมื่อหมู่คณะที่อยู่ร่วมสำนักกับท่านประพฤติผิด ธ, ธรรมวินัยในข้อวัดปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามท่านสามารถรู้ได้ด้วยญาณของท่านทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่ประการใดอาทิเช่นครั้งหนึ่งเวลาตอนบ่ายสมณีนทั้งหลายได้จัดน้าปานะถวายพระ เวลาที่พระทั้งหลายกำลังดื่มอยู่นั้นขณะนั้นท่านอาจารย์หนูใหญ่กำลังทำสมาธิอยู่ในความสงบได้ปรากฏเห็นพระเหล่านั้นในยานของท่านว่ากำลังฉันอาหารกันอยู่ท่านจึงไปที่ถ้ำกลางหมูคณะนั้นจึงกล่าวว่าพวกเรากำลังฉันสิ่งของที่เจอด้วยอามิตรแน่เพราะมันไม่บริสุทธิ์ซึ่งพระภิกษุษสามเณรทั้งหลายกาลังฉันน้าปานะกันอยู่พากันสงสัย และสามเณรผู้ทรรมก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเพราะทำมากับมือแต่อาจารย์หนูใหญ่ก็ยืนยันว่าไม่บริสุทธิ์แน่จึงได้มีการตรวจค้นกันขึ้นได้พบมเมล็ดข้าวสุกติดอยู่ที่ก้นภาชนะนั้นจริงเพราะเหตุนั้นหมู่คณะทั้งหลายจึงเกรงขามท่านมากเพราะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับท่านแล้วต้องระวังระวังความนึกคิด เป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมากแต่นั่นแหละเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านอาจารย์หูใหญ่ได้ออกไปไกลาจากอาจารย์มั่นไม่ค่อยจะได้เข้าไปศึกษา บ, าบา่อยๆเมื่อภายหลังได้เกิดยานเสื่อมจากคุณธรรมส่วนยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวต่อสู้กับกิเลสมากต่อไปไม่ได้จึงลาสิกขาบทไปอยู่ในคารวาวิสัยยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสต่อไป ท่านอาจารย์มั่นหลังจากเล่าความเป็นไปของท่านอาจารย์หนูใหญ่ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วท่านก็เน้นลงไปอีกว่าบุคคลผู้ที่ได้ยา น, นี้แล้วถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งทีเดียวเพราะเท่ากับคนได้สมบัติมหาศาลแล้วรักษาสมบัติไม่ได้หรือใช้สมบัติไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์จากสมบัตินั้นผู้ที่ได้ฌานก็เหมือนกันกว่าจะทามันขึ้นมาได้ แสยากลาบากนักแต่เมื่อได้มาแล้วไม่รู้จักรักษาและไม่รู้จักทามันให้เป็นประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายควรสังวรเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องญาณหรือความสงบถ้าหากไปหลงมันเข้าปล่อยให้เกิดแต่ความสงบอย่างเดียวย่อมไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้เพราะสถานนั้น เป็นที่สบายอย่างยิ่งและน่าอยู่มันทำให้เกิดความสุขอย่างน่าพิศวงและเป็นสถานที่น่าคิดอยู่ของหมูโยคาวจรทั้งหลายจริงมินำซ้ำบางท่านก็หลงไปถึงกับว่าที่นี่เองเป็นที่หมดไปจากกิเลสอันที่จริงแล้วที่นี่เองจําเป็นต้องแก้ไขตัวของตัวเองอย่างหนักเหมือนกันกับคนที่กาลังนั่งนอนสบายและจะให้ทางานหนักก็จาเป็นต้องทั้งบังคับทั้งปลอบ ท่านอาจารย์มั่นท่านชี้ตัวอย่างท่านอาจารย์เทศเทสะรังสีว่าท่านเทศนี้ได้ติดอยู่ในยา น, นินานยิ่งกว่าใครๆในระยะที่ท่านเทศลงอยู่ในยานนั้นเราได้พยายามแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คลายจากความเป็นเช่นนั้นกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลาถึง12ปีเพราะท่านอาจารย์เทศได้ติดอยู่ในยานถึง12ปี รั้เมื่อท่านอาจารย์เทศแก้ไขตัวของท่านได้แล้วถึงกับอุทานว่าเราหลงไปถึงส2องปีถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์พูดส่งคุณอวุธแก้ไขเราแล้วก็จะต้องติดไปจนตายท่านอาจารย์มั่นได้เน้นหนักว่าการแก้ไขสิ่งของที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ลำบากกว่าแก้สิ่งของไม่ดีเพราะความไม่ดีรู้กันในหมู่ผู้หวังดี หาทางแก้ไขได้ง่ายส่วนความดีที่ต้องติดดีนี่แก้ไขยากผู้ติดดีจึงต้องใช้ความพยายามหลายอย่างเพราะชั้นนี้มันเป็นขั้นปัญญาเนื่องจากการเกิดขึ้นภายในนั้นมีพร้อมทั้งเหตุและผลจนทำให้เชื่อเอาจนได้จะไปว่าอะไรแต่อย่างอื่นที่ไกลจากอริยสัจธรรม แม้แต่วิปัสนาซึ่งก็เป็นทางไปสู่อริยศาสตร์อยู่แล้วแต่ผู้ดำเนินไม่มีความรอบรู้พอก็กลับกลายเป็นวิปัสนูปกิเลสไปได้การเป็นวิปัสนูปกกิเลสนั้นคือโอภาโสแสงสว่างไม่มีประมาณแสงสว่างนี้เกิดจากจิตที่สงบยิ่งจนเกิดแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างที่จะหาสิ่งเปรียบเทียบยาก ผู้บำเพ็ญจิตเบื้องต้นพอจิตสงบแล้วเกิดนิมิตเห็นแสงสว่างเท่านี้ไม่จัดเข้าในวิปัสสนาเพราะแสงสว่างที่จัดเข้าในวิปัสสนานี้เป็นแสงที่เกิดจากการเห็นของธรรมชาติแม้การเห็นเป็นธรรมชาติเป็นของจริงก็ตามการที่จะถือเอาของจริงแม้นั้นก็ผิดเพราะความจริงที่เห็นนี้สำหรับพิจารณาด้วยยานต่างหาก ไม่ใช่จะให้ติดข้องผัวพันถ้าติดข้องก็เกิดเป็นกิเลสก็เลยยึดเข้าไปหาว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เลยยิ่งเลวไปใหญ่แสงสว่างที่เห็นของจริงนี้ท่านจึงจัดเป็นวิปัสสนีเพราะไปหลงเข้าแล้วหาว่าดีแม้เพียงเท่านี้ความจริงมันเป็นเพียงเครื่องมือพิจารณาต่อไปท่านจึงห้ามติด ญานะความรู้ไม่มีประมาณความรู้ที่เกิดในขั้นต้นเป็นต้นว่ารู้ว่าจิตสงบหรือรู้อยู่เฉพาะหน้าบ้างอย่างนี้ไม่จัดเข้าในขั้นนี้ความรู้ที่จัดเป็นวิปัสสนูนั้นคือความรู้ที่ยังรู้ว่าจิตเรานี้ว่ามีความสว่างจริงเช่นเห็นธาตุว่าเป็นธาตุจริงชนิดนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนแน่ละ่ะ ถ้าจะเป็นของจริงเลยเข้าใจว่ารู้นี้เป็นธรรมะแท้จึงเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ถือตัวแต่ความจริงแล้วท่านให้ใช้ความรู้นี้พิจารณาให้ยิ่งเท่านั้นไม่ใช่ให้ถือเอาความรู้ก็เท่ากับถือเอาเครื่องมือว่าเป็นของจริงท่านจึงห้ามติดปีติความอิ่มใจอันแรงกล้า ความอิ่มใจซาบซ่านในตัวอันเกิดขึ้นแก่ผู้ฝึกสมาธิในขั้นต้นไม่จัดเข้าในชั้นนี้ปีติที่จัดเป็นวิปัสสูกิเลสนั้นคือความเยือกเย็นอันได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเช่นเห็นว่าธาตุทั้งหลายสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมธาตุแห่งสภาพจริงๆความปีติเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยพบก็จะได้พบเมื่อพบเข้า เลยเกิดความอิ่มใจอย่างแรงกล้าเข้าใจว่าเป็นของจริงทำให้ติดเกิดกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นธรรมะพิเศษหรืออมตะธรรมก็เลยจะไปทางให้ยึดแล้วก็ทำให้เนื่นช้าท่านจึงห้ามติดปัสสัทธิความสงบยิ่ง การทำจิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวของผู้เริ่มความเพียรไม่นับเข้าในชั้นนี้ปัสสิที่จัดเป็นวิปัสนูนั้นคือความสงบที่มีกำลังอันอาจจะจำแนกาธาตุออกไปได้ว่ า, าธาตุนั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นต้นเพราะสงบจริงจึงจะเห็นาธาตุเป็นาธาตุจริงซึ่งสามารถจะให้จิตหลงเพราะความสงบนี้เยือกเย็นมากขึ้นเป็นกำลัง แม้จะทำให้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าไปติดเพียงเท่านี้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นของจริงกลับกลายเป็นกิเลสท่านจึงห้ามติดสุ ข, ขะความสุขอันลึกซึ้งความสุขเกิดแก่จิตของผู้ฝึกหัดใหม่นั้นแม้ครั้งสองครั้งหรือชั่วครั้งชั่วคราวไม่จัดเข้าในชั้นนี้ สุขะที่จัดเป็นวิปัสสนฺนั้นเป็นผลไปจากการเห็นธาตุทั้งหลายว่าเป็นจริงเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้นเป็นลําดับความสุขนี้จะมีชั้นสูงขึ้นตามลําดับแห่งการเห็นตามเป็นจริงแห่งธรรมาธาตุถ้าติดก็เป็นกิเลสเป็นเหตุให้พอใจเพียงแค่นั้นจะไม่ก้าวหน้าต่อไปท่านจึงห้ามติด ที่โมกความน้อมใจเชื่อของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นทิฏฐิธรรมอาศัยอวิชชาเป็นเครื่องปิดบังจึงไม่สามารถจะเข้าถึงได้แต่เมื่อพอเกี่บความต้องการแล้วก็เป็นอันว่าถึงได้แน่นอนเมื่อทำไม่พอเก่บความต้องการแล้วก็ถึงไม่ได้เหมือนกับคนทั้งหลายจะพากันเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพเช่นเขาทั้งหลายอยู่เชียงใหม่ แต่กรุงเทพนั่นนะ่ะมีจริงเพราเขาเดินมาถึงลำปางเขาก็พากันน้อมใจเชื่อว่าลำปางนี่แหละคือกรุงเทพเขาเหล่านั้นก็ลงรถไฟโดยถือเอาลำปางเป็นกรุงเทพเมื่อน้อมใจเชื่อเช่นนี้เป็นอันถึงกรุงเทพไม่ได้กรุงเทพมีจริงแต่ต้องขึ้นรถไฟรถยนต์จากเชียงใหม่ไปให้พอแก่ความต้องการก็จะต้องถึงจนได้อันการบำเพ็ญจิต ยิ่งบำเพ็ญยิ่งละเอียดขึ้นเป็นลำดับน่าถึงน่าอัศจรรย์มากมายเหลือจะนับจะประมาณมีสิ่งประหลาดมากมายทีเดียวจึงเป็นสิ่งที่คล้ายกับธรรมะชั้นสูงโดยเหมือนกับมีธรรมะพุดขึ้นมาบอกว่าถึงทำชั้นนั้นชั้นนี้บ้างได้เห็นอริยสัจบ้างเห็นเจะบรรลุบ้า ง, ะางอะไรมากมายที่เกิดขึ้นน้อมใจเชื่อมันแล้ว เป็นกิเลสตัวใหญ่กลางกั้นความดีที่กำลังจะก้าวหน้าไปอย่างน่าเสียดายปักคาหะความเพียรอาจหารการบำเพ็ญจิตจนเกิดความดีความงามความที่ละเอียดอ่อนโดยอาศัยพลังงานแห่งจิตโดยที่ต้องการให้ถึงเร็วเป็นการเร่งเกินแก่ความพอดี อย่างไม่คำนึงถึงว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรเอาใจเป็นใหญ่หักโหมความเพียรอย่างไม่ปราณีปราใสนี่ก็เป็นทางเสียหายเพราะเหตุใดท่านจึงจัดเป็นอุปากิเลสแห่งวิปัสนาด้วยเล่าก็เพราะว่าในที่นี้นับว่าเป็นความปรารถนายัางรุนแรงของใจจนอาจจะเป็นอันตรายได้โดยขาดมัตตัญญูความเป็นผู้รู้จักประมาณไป จึงกลายตัวมาเป็นอุปกิเลสซึ่งก็ทำให้เกิดความมัวหมองถึงกับจะกางกั้นความเจริญชั้นสูงต่อไปแต่การจะถืออาวิปัสนูข้อนี้มาทำให้เกิดหย่อนความเพียรเรื่องก็ยิ่งเสียหายกันไปใหญ่อีกในที่นี้ท่านต้องการความพอดีเหมือนกับการรับประทานอาหารความอิ่มนี่คือความพอดีถ้าเรารับประทานไม่อิ่มแต่เราถือว่าอิ่มนี่คือไม่พอดี ถ้าเรารับประทานอิ่มยิ่งเติมเข้าไปก็เกินความพอดีเราจะต้องทราบความละเอียดที่เกิดผลตามสมควรจึงจะชื่อว่าพอดีไม่หักโหมเกินไปจนเป็นเหตุให้ถือเอาความเพียรคมผู้อื่นอันจะกลับกลายเป็นกิเลสไปอุปาทานะสติกล้า สตินี้ไม่น่าจะเป็นอุปกิเลสเพราะสตินี้เองสามารถดำเนินจิตให้ตั้งเที่ยงอยู่ได้แต่ว่าไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะดีสักเท่าไรก็ตามถ้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้แม้สติกำหนดเพ่งกันไปกำหนดอยู่ในกายานุปัสนาไม่รู้จักพักผ่อนเกินแก่ความต้องการไม่ช้าก็ต้องเลอะเลือนธรรมดาการใช้สติกำหนดต้องรู้จักพักตามสมควร เพราะถ้าไม่รู้จักพักแล้วเมื่อมันเกิดความเลอะเลือนขึ้นความสงสัยก็ตามมาก็จะกลับกลายเป็นอุปกิเลสไปอุเบคาความวางเฉยการจัดอุเบคาเป็นวิปัสสนูนั่นคือการไปเข้าใจเอาเองว่านี่เป็นวิมุติธรรม คือความละเอียดแห่งจิตเท่านี้ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมชั้นสูงเลยวางเฉยถือว่าเป็นสิ่งแน่นอนยังไม่ถึงอริยสัจเต็มที่มาวางเฉยเสยก่อนเป็นการคํานึงเองหรือเป็นการชิงสุกก่อนหามท่านจึงจัดว่าเป็นเครื่องเศร้ามองนักปฏิบัติควรระวังเป็นพิเศษในข้อนี้อย่าไปวางเฉยเอาง่ายๆต้องพิจารณาให้ทองแท้เสก่อน นิกันติความพอใจความพอใจแม้จะเป็นธรรมะชั้นละเอียดก็ยังใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นการพอใจอยู่เพียงหนทางไม่ชื่อว่าพอใจในสถานที่ต้องการเพราะการถึงสถานที่ที่ต้องการนั้นไม่ใช่เป็นความพอใจแต่เป็นความจริงและของจริงนั้นเมื่อเป็นขึ้น ยอมเป็นสิ่งล่วงพ้นจากความพอใจที่จะพึงกำหนดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าทำความพอใจในธรรมะละเอียดไม่ดีจะกลายเป็นอัตวาทุปาทานไปเสียจะเสียงานใหญ่ในการที่จะให้บำเพ็ญให้ก้าวหน้าต่อไปท่านอาจารย์มั่นท่านได้เน้นหนักลงไปถึงฌานและฌานนี้หนักมากในพรรษานี้ เพื่อให้สิทธ์ทั้งหลายได้สำเนียกเพื่อความก้าวหน้าของตนพุทธศักราช2463เสนาสนาป่าอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย การจำพรรษาของท่านอาจารย์มั่นนั้นโดยส่วนมากท่านย้ายสถานที่อยู่เสมอทั้งนี้เพื่อจะได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้มากๆและมิให้จำเจที่จะต้องเกิดความกังวลอีกด้วยและแม้ว่าท่านจะไปจำพรรษาที่ไหนก็ตามบรรดาลูกศิษย์ผู้วังดีจะต้องติดตามไปเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติจากท่านเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปแม้ว่าจะได้ทราบชัดถึงหนทางที่ท่านได้แนะนําให้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ตาม แต่ข้อละเอียดบางประการก็ต้องอาศัยการอบรมจากท่านอยู่อย่างใกล้ชิดในปีนี้พระภิกษุสามเณรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ก็เริ่มมากขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากว่าก่อนนี้การปฏิบัติโดยเฉพาะการบำเพ็ญสมณธรรมนั้นเป็นของลึกลับมากยากแก่การที่มาดำเนินกันอย่างง่ายๆแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็มาเปิดสักรารการปฏิบัติ โดยกำหนดการปฏิบัติอย่างง่ายง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคารวาดหรือพระภิกษุสัมเนนก็สามารถทำได้ด้วยกันทั้งนั้นและก็ได้ประสบผลอย่างทันตาด้วยโดยไม่ต้องไปเสียเวลายกครูยกขันหคขัน8ดเหมือนอย่างแต่ก่อนแม้สัมเนนองค์เล็กก็สามารถปฏิบัติให้เกิดความอัศจรรย์ได้อันพุทธบริษัทในสมัยนั้นบางจาพวกก็ยังพากันกล่าวถึงว่า มักผลธรรมะวิเศษนั้นหมดเขตหมดสมัยแล้วจึงได้พากันไม่สนใจต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเพราะถือว่าเปล่าประโยชน์แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้มาเปิดสักรารแห่งการปฏิบัติจิตแก้ไขความคิดเห็นของผู้ที่ยังหลงงมงายเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเพราะว่าสมเณรองค์เล็กๆเกมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลแห่งความเย็นใจและคารวะผู้ปฏิบัติ ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจอย่างฉับพลันความจริงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่น้อมนํามาเชื่อและปฏิบัติตามนี้จึงได้ลบความเชื่อถือที่ว่ามรรคผลหมดเขตหมดสมัยการที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เผยแพร่ความจริงของการปฏิบัติที่เป็นการเผยแพร่โดยให้บุคคลที่น้อมตัวเข้ามาเชื่อได้เห็นเองคือให้กระทําแล้วได้รู้เองว่า รสของพระสัทยธรรมนั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เกติคุณของท่านจึงแพร่ไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ของท่านมีมากขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นตัวท่านและศิษย์ที่มารับการอบรมก็ได้รับรสพระสัทยธรรมและช่วยให้บุคคลอื่นนอกนั้นมาร่วมเป็นสมาชิกในการดําเนินการปฏิบัติจิตแล้วก็บรรดาผู้ที่น้อมตัวเข้ามาเป็นศิษย์ของท่าน ก็เป็นอนุรับรองได้เลยทีเดียวว่าจะต้องได้รับผลแน่นอนเพราะปรากฏในภายหลังว่าสิทธิของท่านได้กลับกลายเป็นผู้มีความสำคัญในการเผยแพร่ ก, การปฏิบัติที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งนี้เนื่องมาจากว่าท่านได้กำหนดวางรากฐานการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่กาลสมัย เพราะการกำหนดมาตรการอันเป็นสิ่งที่ท่านได้กำหนดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆปรากฏตามประวัติที่ท่านต้องออกไปอยู่ในถ้ำแต่ผู้เดียวบ้างศึกษาจากครูบาอาจารย์บ้างและการที่ท่านได้ทำความรอบคอบในการวางรากฐานแห่งการปฏิบัตินี่เองเป็นผลให้เกิดความมั่นคงในวงการของนักปฏิบัติผู้นับเนื่องในความเป็นสิทธิ์ของท่าน และการที่ท่านจะวางมาตรการของท่านก็ต้องวางให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดังนั้นท่านจึงได้อ้างถึงพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่ใครเพราะอะไรท่านได้แสดงเสมอว่าพระปัญจวาคัคคีเมื่อจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ทรงชี้ลงไปที่รูปของพระปัญจวัคคีเองมีได้ทรงแสดงเกินกว่ารูปพระปัญจวัคคีเลย เช่นทรงแสดงว่ารูปังพิกเวอณัตาดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนปัญจวคีก็มีรูปมาแต่ไหนแต่ทำไมไม่ได้สำเร็จพระอาหารหันต์มาสำเร็จเอาตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ดูเราก็เช่นเดียวกันแม้เราพากันพิจารณาดูรูปก็ต้องไม่ผิดหนทางแน่นอน ท่านได้อ้างอิงอยังมีหลักฐานเช่นนี้จึงเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งแก่บุคคลที่เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านณที่ท่าบ่อนี้เองบัดนี้ได้กลับกลายมาเป็นวัดป่าอันเป็นสถานที่บําเพ็ญกรรมฐานเป็นเหตุให้เกิดมีผู้มีบุญขึ้นมาอีกมากได้นามว่าวัดอรัญยวาศีมีพระอาจารย์เทศเทสะรังศี พระอาจารย์สิงคันตยาขโมพระอาจารย์มหาปินปัญญาภโลพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์สุวรรณและพระอาจารย์หลายองค์อื่นๆอีกมากที่ได้มาเห็นว่าสถานที่นี้ดีเหมาะแก่การบําเพ็ญสมณธรรมและได้มาบําเพ็ญแล้วก็ได้รับประโยชน์ทางใจจากสถานที่นี้มากมายทีเดียว